ปรับจิตทําจิตของเรานะให้หายจากความเป็นอิทธิภาวะให้ได้ถ้าใครทําได้คนนั้นก็จะพัฒนาตัวเองให้เจริญขึ้นเหราะจากข้อความเนี้พระเจ้าท่านก็ตัดยืนยันว่าต้องให้ปุริสภาวะเหนือกว่าอิทธิภาวะให้ได้พอตัดอย่างนี้เสร็จใช่ไหมพระองค์ทรงนาเสียซึ่งความเบื่อหน่ายของภิกษุเหล่านั้นออกไปด้วยพระธรรมกถาอย่างนี้แล้ว ก็ทรงดุสเนียภาพนิ่งอยู่คุยง่ายคือพอพูดเล่ามาถึงตรงนี้ปับ๊บพวกพิกสูทั้ง500้อเนี่ยฟังฟั ง, ฟ, งฟังจนมาถึงตรงนี้นี่เออชักชกคลายใจไปอีกตั้งเยอะแล้วเคยมีความคิดกสันอยากจะศึกอยากจะอะไรต่างๆนะในเรื่องของการในเรื่องของราคะโอ้ฟังมาถึงตรงนี้นี่ยิ่งเบาลงไปอีกละแต่พอผู้จ้าท่ตัดถึงตรงนี้เสร็จปับ๊บท่านก็เงียบเลย นิ่งโด้ดูสนญภาพนี้มาถึงว่าเฉยเงียบในขณะนั้นปรากฏว่าช่วงที่พระเจ้าท่านพอตรัสถึงตงองเงียบเงียบไปเนี่ยปรากฏว่าในขณะนั้นมีนางนกดูเเวาดำสองตัวให้นกสามีจับตรงกลางท่อนไม้แล้วข้าบบินมาแม้ในส่วนเบื้องต่ำ เป็นต้นก็มีนางนกประจำข้างละสี่ตัวได้มาถึงบริเวณนั้นโอ้อันนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือข้างละสี่ตัวเองนะพอดีเนี่ยพอผู้เจ้าตัดถึงตรงนี้มีกลุ่มนกกลุ่มหนึ่งมาพอดีแต่เป็นนกดูวาวดำได้มาถึงบริเวณนั้นภิกษุเหล่านั้นเห็นนกเหล่านั้นจึงทูลถามพระาศาสดาพระาศาสดาตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายแต่ปางก่อนมีพญานกดูว่าวขาวตัวหนึ่งชื่อปุญณมุขะดูนะต้องต้อ ง, ต, องตัดภาพให้ดีถ้าเหมือนกับดูหนังนี่พอดีมีอะไรเข้ามาแทรกนะบอกอ๋อเนีะนะภิกษุก็ชี้ให้ดูปรากฏว่านี่เหลือข้างละสี่ตัวแล้วก็มีอสองตัวคาบท่อนไม้ไว้ให้เท่านั้นเองนี่เหลือเท่าไหร่แล้วคราวนี้ เหลือแค่แปดนะเพราะว่าแม้ในเบื้องต่ําเป็นต้นอ๋อมีนางนกหรือหรือว่ามีครบเนี่ยแต่อันนี้เขาใช้คําว่าเป็นต้นอาจจะครบทีมก็ได้นะปรากฏมาเนี่ยมีทีมนี้มาเอาหัวน้อยลงไปอีกอันนี้บินเข้ามาแทรกอันนี้เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันอันนี้คือเหตุการณ์ปัจจุบันที่พระเจ้าท่านตัดเล่าอยู่แล้วก็ พวกปีกสูนี่ก็เห็นเสร็จแล้วตอนนี้ผูเจ้าท่านก็เลยเล่าเรื่องต่อท่านหยุดไปพักหนึ่งแล้วท่านก็เล่าเรื่องต่อคราวนี้พอเริ่มเรื่องต่อเนี่ยกำลังพูดถึงนกดูว่าวขาวแล้วนะคราวนี้ตอนแรกเนี่ยเป็นนกกุณาละอันนั้นไม่ได้บอกนะว่าขาวหรือดําแต่คราวนี้กําลังพูดถึงนกดูว่าวขาวตัวหนึ่งชื่อปุณณมุ ข, ขะฟังดีๆนะเพราะว่า สองพญานกสองตัวนี้เป็นเป็นตัวเอกของเรื่องเป็นสหายของเรานี้เป็นวงของนกดูเบาเรานั้นอ๋อมาเข้าใจละนะคือคือพอเห็นนกที่ที่ที่บินมานั่นแหนะบอกว่านี่ยเนเนี่ ย, ย, ย, ยที่จริงแล้วเนี่ยเนี่ยนกดูเบาทดำที่ที่เห็นตอนเนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นลูกล้านนะ่ะพูดง่าย เป็นลูกหลานเป็นต้นตะกุเป็นไออะไ ร, ะไรคือญาติปลายปลายสายมาของพญาเนี่ยนกดูว่าวขาวที่ชื่อว่าปุณณมุขะและนกปุณณมุขะเนี่ยพูดง่ายว่าในอดีตนะนะคือเป็นเพื่อนนี่เป็นเพื่อนกับพญานกกุณาละนั่นเองพญานกดูว่าวชื่อปุณณมุขานั้น มีนางนกดุว๋วเป็นนางบําเบอรสามร้อยห้าสิบตัวโอ้โหต่างกันศูนย์เดียวเองใช่ไหมพญานกกุณ า, ะาละเท่าไหร่สา0 0ันห้าร้อยนะอันนี้สามร้อยห้าสิบต่างกันแค่ศูนย์เดียวเท่ากับเท่าไหร่ต่างกันเท่าไหร่เอ่อกี่เท่าโอ้โหเยอะเลยนะเยอะกันมากเลยนางนกดุว๋ว 2ตัวคาบท่อนไม้ตัวละข้างให้พญานกปุณณมุขะจับที่ตรงกลางพาบินไปด้วยความประสงค์จะไม่ให้พญานกปุณณมุขะนั้นเหน็ดเหนื่อยในหนทางอันยืดยาวอันนี้คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าลดจำนวนลงเหลือแค่นางนกอีอกอีก50ตัวบินไปในเบื้องต่าด้วยประสงค์ว่าถ้าพญานกปุณณมุขะ พลาดจากที่จับแล้วก็จะเอาปีกทั้งสองประคองรับไว้เหลือแค่ห0ตัวเองตอนนี้หน่วยนึงๆน่วยนึงเนี่ยเหลือแค่หบตัวนางนกอีกห0สบตัวบินไปในเบื้องบนด้วยประสงค์จะป้องกันไม่ให้แดดส่องโดนพญานกปุณทนบุคคลได้นางนกอีกร้อยตัวบินไปข้างซ้ายและข้างขวาข้างละห0สิบตัวด้วยประสงค์ไม่ให้หนาวร้อนระอองลมและน้าค้าง แต่ต้องพญานกปุณนามุขนั้นนางนกอีกห0สิบตัวบินไปข้างหน้าด้วยประสงค์เพื่อความปลอดภัยจากพวกเลี้ยงโคคนหายาคนหาฟืนคนทำงานในป่ามิให้ทำร้ายด้วยไม้ด้วยกระบองด้วยก้อนหินด้วยอาวุธใดๆและมิให้พญานกปุณนามุขะเป็นอันตรายจากก่อไม้เครือเถาต้นไม้กิ่งไม้ หรือนกที่มีกําลังมากกว่าทําร้ายเอายังมีนางนกอีกห้สบตัวเปร่งเสียงอันอ่อนหวานไพเราะจับใจบินตามไปข้างหลังด้วยประสงค์มิให้พญานกปุนณ้มุขะซึ่งจับอยู่บนคอนมีความเงียบเหงาและมีนางนกอีกห้ิตัวบินไปในที่ต่างๆนําผลไม้มีรสอันอร่อยมากมายมาให้ด้วยประสงค์จะมิให้ พญานกปุณณมุขะหิวโหวยในระหว่างทางก็เหมือนกันทุกอย่างคือมีหน่วยป้องกันมีหน่วยบริการอะไรทุกอย่างเพียงแต่เล็กกับกันเยอะเลยคํานวณแล้วยังเล็ก ก, กับกันกี่เท่า ส, สิบเท่าพอดีเลยเหร อ, อเอาประมาณนั้นนะประมาณสิบเท่า แล้วก็เนี่ยก็พาบินเข้าป่าออกป่าไปยังท่าน้ำยอดเขาสวนมะม่วงสวนชมพู่สวนข้านุนสวนมะพร้าวได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันเพื่อให้มีความรื่นเริงยินดีก็เมื่อนางนกทั้งหลายบำเรออยู่อย่างนี้ตลอดทั้งวันพญานกปุณณมุขะย่อมสรรเสริญเสมอเสมออย่างนี้ว่าดีมากดีมากน้องหญิงทั้งหลาย การปฏิบัติสามีอย่างนี้สมควรแก่พวกเจ้าสมดวนแก่พวกสมสมควรแก่พวกเจ้าแล้วพูดง่ายๆว่าตรอ ง, องข้ามกับพยานกกุณาละเลยอันนี้พญานกปุนนมุขะโอ้โหอะไรพูดหวานเลยนะพูดยกย่องพูดชมเชยพูดให้เกียรติอย่างดีเลย พญานกบุญนาคุขาดูเว่าวขาวณนะอมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าก็เป็นสหายกันนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็เลยไปเยี่ยมไปหาพญานกกุณาละพวกนางนกดูเห่าวบริวารของพญานกกุณาละพอเห็นพญานกปุญนาคุขามาแต่ไกลไกลก็รีบออกไปต้อนรับทันทีแล้วพูดกับพญานกดูเว่าวขาวว่า ข้าแต่สหายปุณณมุขะพญานกกุณาระนี้หยาบช้ามีวาจาหยาบคายพวกเราจะได้ฟังวาจาอันเป็นที่รักเพราะอาศัยท่านได้บ้างหรือไม่หนอหมายความว่าไงหมายความว่ามาขอร้องพญานกปุณณมุขะว่าเนี่ยคือรีบเลยพอเห็นแต่ไกลรีบบินออกไปต้อนรับเนี่ยเพราะจริงๆมีเจตนาว่าไปต้อนรับเพื่อที่จะ ขอร้องพญานกดูเ่าขาวเนี่ยบอกว่าช่วยคุยกับพญานกกุณาละหน่อยสิให้พูดเ พ, พรอะๆหน่อยพูดง่ายพอโอ้โหทำไมพูดจะหยาบคายนักนะก็ไปขอร้องพญานกปุณณบุคขาจึงตอบว่าบางทีจะได้บ้างกำมังน้องหญิงทั้งหลายแม่หวานจังนะโอ้หวานเยิ่มเลย แล้วนางนกก็พาไปหาพญานกกุณาละนะพอพอตกปากรับคำเสร็จใช่ไหมก็พาไปหาพญานกปุณณบุคคก็กล่าวกับสหายว่าดูก่อนสหายกุณาละเพราะเหตุไรท่านจึงปฏิบัติผิดบอกเลยนะบอกเนี่ปฏิบัติผิดเนี่ยท่านท่านพูดจาท่านหยาบคายเงี้ยท่านปฏิบัติผิดต่อหญิงทั้งหลายที่มีชาติเสมอกันซึ่งนางเหล่านี้ปฏิบัติ ด, ดีต่อท่าน ได้ยินเขาว่ากันว่าหญิงทั้งหลายที่บริบูรณ์ด้วยมารยาทถึงจะพูดไม่ถูกใจเราเราก็ควรพูดให้ถูกใจเขาจะปวยกล่าวไปยัยถึงหญิงที่มีมารยาทดีพูดถูกใจเราและเราจะไม่พูดให้ถูกใจเขาบ้างเล่าสอนสอนตอนนี้สอนพญานกกุณาละว้าโหณภาษาอะไรเนี่ยไอขนาดไม่ดีอ่ะ ขนาดเขาพูดไม่ดีมานี่เป็นไงยังควรที่จะพูดดีๆตอบเลยใช่ไหมแล้วยิ่งนี่เขาแหมมีมารยาทดีอ่ะหมายถึงว่าเขาพูดจาไพเราะหรือว่าเขาพูดอะไรมาดีๆเนี่ยยิ่งต้องไงยิ่งต้องพูดดีตอบใหญ่เลยอ่ะดังนั้นเนี่ยโอ้โหเขาบริการเขาทําอะไรให้อย่างดีเลยดูนะคราวนี้เมื่อพญานกบุญณฑมุขะพูดอย่างนี้ พญานกกุณาระจึงโต้อตอบเอากับพญานกปุณณมุขะว่าดูก่อนสหายผู้ลามกหยาบช้าโอ้หยาบจริงๆนะใครเขาจะฉลาดพะจนเมียยิ่งไปกว่าท่านเราโอ้โหยิงแสกหน้าเลยนะชนิดที่เรียกว่าไม่ไม่อ้อมค้อมไม่อะไรเลยโอ้โหว่าหนักๆว่าแรงๆ แค่เรียกชื่อแค่เรียกเพื่อนนี่นะเรียกยังไงโอ้โหบอกแทนที่จะคือมันตรงข้ามเลยนะดูได้อย่างกับคนละขั้วเลยอันนั้นกับแม้พูดไปรล้วจะเลยหวานจ่อยเย็นเจ็บเลยนะพญานกดูเบาวขาวนี่แต่ส่วนพญานกกุณาละก็โอ้โหหยาบจริงๆรินะขึ้นมาก็สหายผู้หยาบช้าลามกพูดง่ายโอ้โหขึ้นต้นตัวยอย่างนี้เลย ซึ่งอย่างนี้เป็นไงถ้าเป็นเราอ่ะมีใครมาทักอย่างนี้เป็นไงสหายผู้ยากชาลามกเลิกพูดกันเลยนะเรียกว่าอย่าเจอกันอีกเลยชาตินี้โอ้โหเจอกันนี่แมยังไม่ทันยาอะไรเลยนะทักทายทักทายกันแบบนี้ก็เลิกคุยกันเถอะแต่นี่ปรากฏว่าเนี่ยก็ทักอย่างนี้จริงๆด้วยที่ทักอย่างนี้เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าพญานกปุณนมุขะก็สอนใช่ไหม ต้องพูดให้เพราะอย่างงั้นอย่างนี้สอนอย่างนี้มาเนี่ยพญานกกุณาละก็ตูมใส่เลยแล้วเนี่ยใครไหวนะใครจะฉลาดผจญเมียยิ่งไปกว่าท่านเราโอ้โหพูดอย่างนี้เนี่ยความหมายดูนะมันมันมีความหมายลึกๆอยู่พูดง่ายๆว่าใครจะเก่งอะไรนะ ผจญเนี่ยแหมผจญนี่จะใช้ว่าอะไรอ่ผจญภัยผจญศึกเจอใช่ไหมผจญมันยังไม่อาจจะไม่ต้องสู้ก็ได้ผจญเนี่ยใช่ไหมผจญนี่มันเจอหน้าหรือว่าพบปะหรือว่าอะไรอะ่ะเตรียมเนื้อเตรียมตัว<笑><笑>อะไรอ่ะที่มันมันแบบว่ามันเผชิญหน้ากันอย่างเงี้ยผจญเนี่ยเนี่บอกว่าใครจะไปเก่งเหมือนท่านละ่ะพูดง่ายว่าท่านเก่งกว่าใช่ไหม พูดง่ายว่าท่านเก่งกว่าใช่ไหมแต่เก่งกว่าเนี่ยจริงๆแล้วไปยังไงนี่ปกครองบริวารเท่าไหร่สาอห้าสิเองนะแต่ว่าพญานกกุณาละปกครองเท่าไหร่สามพันห้านะพูดอย่างเงี้ยจริงๆแล้วจะว่าเหมือนกับอะไรอะ่ะให้รู้ตัวก็ได้นะว่าจริงๆเนี่ยท่านเก่งใช่มเนยเนี่ ย, ยท่านท่าน จะอย่างนี้บอกว่าแม่จะต้องให้พูดวันหวานพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะท่านเก่งใช่ไหมแต่ท่านเก่งเนี่ยนะท่านปกครองได้แค่สามรอยห้าสิบตัวเองนะแต่เนี่ยเรานี่ต้องสาม0ันห้ารอยนะอ่านี่คือความแตกต่างเมื่อพญานกปุณณมุขะถูกพญานกกุณระก่าวรุกรานเอาก็ลากลับจากที่นั้นทันทีทนไม่ไหวโอ้โห นี่พูดกันแค่อะไรนะเขาเรียกว่าเชื่อฉือกันแค่ประโยคเดียวมั้งนี่ลากลับเลยเพราะฉะนั้นดูนะดูความแตกต่างนางนกตั้งสาม0ันห้าร้อยตัวโดนยิ่งกว่านี้ใช่ไหมโดนยิ่งกว่ า, าพญานกดวาขาวนี่โดนทุกวันด้วยนะแต่เป็นยังไงอยู่ได้ ก็ยังอยู่กับพญานกุณาดะแต่เพื่อนนี่มาเยี่ยมโดนแค่ประโยคเดียวเป็นไงอยู่ไม่ได้เลยทนไม่ไหวเลยรีบบายบายลากนไปเลยทันทีเลยคิดดูเอานี่คือความแตกต่างการพูดไพเราะดีถูกต้องนาจริงๆแล้วดีถูกต้องไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความอดทนเป็นไง สู้ไม่ได้เลยนะเพราะคนทีออ่อะไรอะ่ะพวกติดอยู่กับอะไรต้องมรารยาทต้องไพเราะ อ, อยู่เรื่อยๆเลยนะรับรองเลยจะทนอะไรที่เจอหยาบๆเจอหนักๆนี่จะทนไม่ได้เลยทนไม่ไหวเลยการจะควบคุมอารมณ์หรือว่าระงับจิตใจนี่จะเอาไม่ค่อยอยู่น ะ, ะแต่ถ้าพวกที่โดนมาหนักแล้วเป็นไง ถ้าจะไปเดินโดนไพเลาะไพลาะมาเป็นไงสบายมากเหมือนเอาสำรีพ่อจันชอบใช้เอาสำรีไปเลยไปปาหนังแรกคนที่ผ่านศึกหนักมาแล้วถ้ามาเจอเบาๆไม่ยากไม่ลำบากพูดอย่างนี้ไม่ได้สาบส้นนือให้ด่ากันนะพูดอย่างนี้เพื่อให้รู้ว่าความแตกต่างของการที่ใครเนี่ยเจออะไรมามันก็เหมือนกับฝึกฝนผ่านอุปสรรค ผ่านความยากผ่านความลําบากคุณโดนติคุณโดนดา่าคุณโดนว่านะแล้วคุณก็ทนได้ไม่ใช่ไม่ใช่ด้านนะ <c oughs> คุณทนได้แล้วคุณก็ยังพยายามทําดีได้โอ้โหนี่ต้องยอดเยี่ยมสิแสดงว่าต้องมีขันติต้องมีความอดทนอดกั้นอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ต้องพยายามปรับจิตปรับใจถึงจะอยู่ได้ถึงจะไม่เป็นการเก็บกดเพราะถ้าคุณเก็บกดคุณก็ไม่อยู่หรอกใช่ไหมในที่สุดก็ระเบิดแล้วก็หนีแน่นอน แต่ น, นี้ยังทนอยู่ได้แต่ทนอยู่ได้นี่ไม่ใช่เต็มร้อยนะเห็นไหมนะพอพญานกดูวาวขามารีบแจ้นไปบอกเลยบอกบอกให้ให้ไปบอกให้พญานกกุณาละานี่พูดเพราะๆมั่งไม่ได้แล้วเนี่ย <c oughs> เห็นไหมอ่าแต่ทําไมไม่หนีไปละ่ะอ่าอันนี้เป็นแง่คิดว่าบุริสภาวะเนี่ยบางทีไม่ใช่หมายถึงว่าหยาบคายนะแต่มันต้อง แข็งแกร่งปุริสภาวะนี้ต้องเข้มแข็งวันสภาวะที่เป็นความเข้มแข็งเป็นความอดทนได้นีคือปุริสภาวะนะอิทธิภาวะในเราถือว่าอ่อนไหวอ่อนแอนะโดนนิดโดนหน่อยโดนแค่คําพูดเท่านั้นแหะบางทีโดนนิดโดนหน่อยแปรปวนง่ายนะแปรเปลี่ยนง่ายเน่ยเนี่ยเนยอะไรอะ ดีใจง่ายใช่ไหมเอออะไรเนี่ยแหมง่ายเหลือเกินอ๋อ น, นี่ต้องรู้นี่มันเข้าอิตถีภาวะและ้วนะให้ชัดให้ชัดเจนนะพออันนี้ก็พญานกตัวขาวขนี่กลับเลยทันทีต่อมาไม่นานนักปรากฏว่ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงได้เกิดขึ้นแก่พญานกปุนณมุขะคือในนี้เขาใช้คำว่าคือคือลงเป็นโลหิต แหมอาตอมาก็ไม่รู้จะแปลยังไงคือลงไปโล ห, หิตเออไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอะไรอะ่ะเลือดออกทางปากหรือเปล่าหรือว่าออกทางทวารหนักไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นอันไหนน่าจะเป็นทางทางปากทางจมูกอะไรพวกนี้มากกว่านะหรือเปล่าอาตอมา ก, ก็ไม่รู้นะเข้าใช้คำว่าคือ อันนี้อ่านตามของเขามีเลยนะคือลงเป็นโลหิตเนี้มาอ่านแล้วมันยังไงก็ไม่รู้นะจะว่าแบบแบบอะไรอ่ะบางทีก็อางเลือดออกมาใช่ไหมมันก็อีกอย่างนึงเอออันนี้สำนวนเขาแปลกๆอ่ะ ก, ก็เลยไม่รู้หละแต่ให้รู้ว่าเจ็บป่วยหนักก็แล้วกันจนกระทั่งเลือดออกพูดง่ายเกิดเวทนากล้าแข็งเจียนตายพูดง่ายว่า หนักเลยใกล้จะตายเลยทีเดียวนางนกตุหวซึ่งเป็นบริวารของพญานกปุนญามุขะก็เกิดความบิตกว่าพญานกปุนญามุขะนี้เกิดป่วยหนักแล้วจะหายหรือไม่หายจากโรคนี้ก็ไม่รู้ได้ชักกลัวและ ว, ว่าถ้าเกิดตายไปเป็นไงโอหมดที่พึ่งเลสิแปลกอยู่อย่างนะพูดคานี้ขึ้นมา ผู้หญิงเนี่ยทไมชอบว่าจะต้องคิดว่าจะต้องพึ่งพึ่งผู้ชายเออทำไมจะต้องคิดอย่างนี้อยู่เลยเนี่ยไม่รู้สั่งสมอิทธิภาวะมาหรือยังไงทำไมผู้ชายเนี่ยเขาไม่ค่อยคิดว่าเขาต้องพึ่งผู้หญิงสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคราวนี้ขอพูดแบบปุริสภาว ะ, ว, ะว่าคนที่จะเป็นปุริสภาวะเนี่ยทำอย่างผู้ยาอสอนก็คือตนเป็นที่พึ่งของตนพยายามนี่คือปุริสภาวะไม่ใช่ สามีเป็นที่พึ่งของอีฉันนะพยายามล้างอิทธิภาวะพวกนี้ออกไปให้ได้เอาจริงๆนะส่วนใหญ่เลยนะนี่ไม่ได้พูดเล่นๆใช่ไหมผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วก็โดนผู้ชายหลอกอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยเลยว่าโอ้นี่คุณไม่แต่งงานคุณไม่มีสามีอีกหน่อยคุณลำบากนะเนี่ยคุณอยู่คนเดียวคุณจะไปรอดจะยังไงในที่สุดก็เลยต้องแต่ง บางทีก็หลับหูหลับตาเอามาสักคนหนึ่งอเออจริงจริงโดนเขาว่าโดนเขาอะไรมากๆเขา้าโอ้โหอายมางกลัวมากอะไรมากในที่สุดก็คว้ามาคนนึ่งอ่ะคว้ามาแล้วบางทีก็มากลายเป็นท่ารับใช้เขาอ่ะใช่ไหมเขามาเป็นเจ้าชีวิตเลยคราวนี้เขาก็มาอะไรอ่ะบงการใหญ่เอา้ซาซักเสื้อผ้าเอา้าหุงข้าวเอา้าไปทาํางานหาเงินมาอะไรอย่างนี้ ผู้ชายบางทีก็สบายนั่งกระดิกเท้าเลงดีแล้วอะไรดีแก้ต่างให้ผู้หญิงไงบอกว่าเลงดีแล้วเลงดีตรงไหนเลงดีอะไรเนี่ยทุกเยอะแยะไปหมดเนี่ยถ้าเลงดีแล้วมันจะมาเสียได้ยังไงอ่ะมันยังเลงไม่ดีแต่หากล่ะ ก็เขาหลอกเอาล่ะก็บอกแล้วเขาหลอกเอาก็ผู้ชายเนี่ยเขามาเขาผู้หญิงอ่ะเขาก็โหเอาอกเอาใจเขาอะไรต่ออะไรทั้งนั้นแหละมีที่ไหนมาถึงก็เจอก็ด่าเอาด่าเอาเอแล้วคุณจะเล cioè, ือกเขาเหรออย่างเงี้ยเออไม่เลือกหรอกเขาก็ต้องมาหลอกคุณเขก็เอาใจคุณนะแต่นแรกเขาาก็เปย์นะเขาก็จ่ายให้จ่ายให้ไปดูหนังด้วยกันเขาก็จ่ายให้เอ่แต่พอแต่งงานไปแล้วคราวนี้ก็ ไปเอาเงินมาเขาที่ใช่ไหมเออมันก็อย่างนี้เกือบทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่อะนอกจากคนที่เออเริ่มที่จะรู้องคนี้ขึ้นมาใช่ไหมก็เริ่มเริ่มฉลาดขึ้นมานี่ยแห ล, ละก็ระมัดระวังมากขึ้นแต่โดยทั่วไปอะก็ยังมีอิทธิภาวะพวกเนี้ยกลัวกลัวตรงเนี้ยมากๆนะแล้วคิดอยู่แต่ว่าต้องหวังพึ่งผู้ชายหวังพึ่งผู้ชายอยู่เรื่อยอะทัทง้ทงทั้งที่บางทีผู้ชายก็ไม่เอาอ้าวเลยอะ รู้แล้วนะว่านิสัยไม่ดีนิสัยอะไร yeah, yeah. แย่แย่ติดอบายามุกติดอะไรต่ออะไรเยอะแยะบางทีก็ยังทนอยู่อย่างนั้นอ่ะโอ้ฮะทนเพราะเลิกไม่ได้ลักหรือว่าหลงเ <c oughs> อาเอเอาปเปิดให้ฟังบ้างนะ <c oughs> เผื่อว่าใครกำลังคิดจะไปมีจะได้ระวังเนื <c> ้อ <oughs> ระวังตัวบ้าง อ่าเสร็จแล้วตอนนี้ก็พอปรากฏว่าป่วยหนักเสร็จนางนกพวกนี้ก็คิดอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไมว่าเอ้ น, นี่ถ้าตายไปแล้วนี่ก็ไม่รู้สิเนี่ยจะเป็นยังไงอะ่ะคิดแล้วก็เลยพากันทิ้งพญานกปุลปุล น, นะมุขะไว้แต่เพียงลำพังตัวเดียวไม่มีเพื่อนพวยง่ายว่าไปเลยเพราะว่าจะตายอยู่แล้วเนี่ยดูท่าทางแย่แล้วเนี่ยแล้วก็พากันน่าไปหาพญานกกุณละ ดูนะเออแปลกไหมไอหวานหวานจอยเย็นเจี๊ยบนี่พอใกล้จะตายไม่เอาทิ้งเลยแล้วก็ไปเลยไปหาพญานกกุณาละฝ่ายพญานกกุณาละได้เห็นนางนกเหล่านั้นบินมาแต่ไกลขันเห็นแล้วจึงได้กล่าวกับพวกนางนกเหล่านั้นว่าดูก่อนพวกอีถอยก็ผัวของเจ้าไปเสียที่ไหนเล่า เหลือเกินจริงๆนะเจอก็ทักด้วยคำนี้เลยนะโอ้โหไม่ง่ายนะรับรองว่าใช้ในปัจจุบันนี้ไม่ได้เลยก็นะคือิใช้อย่างนี้แล้วก็พังแน่ๆแต่ว่าในนี้แหละเขาใช้อย่างนี้แหละนะเพื่อเพื่อให้เรารู้ว่าอันนี้อาตมาว่าว่าไม่ใช่พยานกุณาละไม่รู้รู้สิ ปกครองตั้ง 3,500 ากับตัวมีหรือจะไม่รู้ถ้าไม่รู้จะปกครองได้ยังไงพอ เ, เห็นนกพวกนี้มาก็ว่าเลยเรียกอีทอยเลยแหละนางนกทั้งหลายนะพอบอกว่าเนี่ยปว่ของเจ้าไปไหนเสีเล่านางนกทั้งหลายยังตอบว่าข้าแต่สหายกุนาระพญานกบุญนาุขะดูว่าขาวป่วยณนะอาการเจ็บหนักจะหายจากจะหายจากจากไข้นั้นหรือไม่ ก็ไม่รู้ได้ก็ตอบตามความเป็นจริงเมื่อนางนกทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วพญานกกุณระก็ด่าว่าลุกรานพวกนางนกเหล่านั้นทันทีนฟังไว้ใครที่เหลือยี่จดไม่ทันนะนะว่าดูกอ่อีถอยพวกเจ้าจงฉิบหายพวกเจ้าจงพี่นาดอีพวกโจรอีพวกนักเลงอีเพ้อเลออีใจง่ายอีไม่รู้จักกุลคน อีตามใจตนเหมือนลมว่าครบชุดเลยอันนี้ชุดใหญ่อันนี้ชุดใหญ่นะว่าครบชุดเลยโอ้คือพูดง่ายง่ายว่าไม่ไว้เลยไม่ไว้หน้าไม่อะไรทั้งสิน้นนะทำอย่างนี้ไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมทำนี้ไม่ถูกเลยอะ่ะโอ้โหเพราะนั้นไม่ไว้เลยดาาชุดใหญ่เลยเพราะว่าทำถึงขนาดนี้นี่ชุดเล็กไม่ไหวละต้องต้องเอาชุดใหญ่ น่าใสให้เลยขั้นลุดลานแล้วก็บินไปหาพญานกดูเว่าวขาวที่ป่วยอยู่แล้วร้องเรียกว่านี่แน่สหายปุณณนาุคข์นางก็ร้องเรียกร้องเรียกพญานกบุณณาุขะก็ตอบอย่างแผ่วเบาว่าอะไรนะสหายกุณาละขั้นแล้วพญานกกุณาระก็ช่วยดูแลประคบประงมพญานกปุณณมุขะด้วยปีกและจะงอยปาก พอให้ลุกขึ้นได้แล้วก็ให้ดื่มยาต่างๆนะก็ให้ดื่มกินยาต่างๆอะสมุนไพรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หามาได้ก็เอามาให้กินจนกระทั่งความเจ็บป่วยของพญานกปุ น, นะบุคขะก็บันเทาเบาบ า, บางจนกระทั่งเรียกว่าหายไปเลยฝ่ายนางนกดุวาวเหล่านั้น พอพญานกปุณณมุขะหายเจ็บไข้ก็พากันกลับมา <c oughs> นะฮะแม่พอหายป่วยก็กลับมาเลยพญานกกุณาระหาผลไม้น้อยใหญ่มาให้พญานกปุณณมุขะกินอยู่สองสมวันพอพญานกปุณณมุขะมีกําลังดีขึ้นแล้วจึงกล่าวว่าสหายเอย๋ยบัดนี้ท่านก็หายจากโรคแล้วจงอยู่กับนาง นกดูเวาของท่านเถิดเราจะไปยังที่อยู่ของเราละลำดับนั้นพญานกปุณณบุคะจึงกล่าวว่านางนกดูเ่าเหล่านี้พากันละทิ้งเราไปเมื่อตอนเจ็บไข้หนีไปเสียหมดเราไม่ต้องการอยู่กับพวกอี<笑><笑>มาแล้วนะตอนนี้ชั ก, ชกชักจะติดสำนวนของพญานก ปูาละแล้วนะปกติพญานกปุนมุขขาดจะไม่พูดอย่างนี้นะตอนนี้เลยขึ้นเลยบอกมาเนีเราไม่ต้องการอยู่กับอีพวกนักเลงเหล่านี้ต่อไปแล้วนะจะมีมีอีนักเลงอยู่อันหนึ่งอะนะอ่อันที่สามะนะทบทวนหน่อยที่แปดอีอะไรบ้าง ไม่ใช่ไปนั่งท่องเฉยๆนะหมายถึงว่าให้เรารู้ว่าทำไมถึงเป็น8คํคำนี้